หรือของสัมพัสัตว์เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นความทุกข์จากการเรียนไหวาตายเกิดอย่างเนี้ยเราก็ต้องหาทางที่จะย่นผลทางหรือวัตสงสารอันไม่มีสิ้นสุดเนี่ยให้สั้นเข้าและการจะย่นระยะทางของการเรียนไหวาตายเกิดให้สั้นลงก็ต้องอาศัยการบรรเทาความโลภความโกรธแต่ความหลงซึ่งเป็นตัวกิเลสแล้วก็เป็นเหตุแห่งการเรียนไหวาตายเกิดเนี่ยให้น้อยลงการโกรธคนอื่นนั้น เป็นการต่อวัฏฏสงสารให้ยืดยาวออกไปเราเห็นโทษเห็นภัยในสงสารเราก็ต้องพยายามทําสงสารให้สั้นเข้าเพราะฉะนั้นการนึกถึงโทษของวัฏฏสงสารอันยืดยาวช่นนี้แล้วเราก็หาทางที่จะตัดทอนระยะทางที่เราจะต้องเวียนว่า้ตายเกิดอีกนานแสนานามเนี่ยให้น้อยลงอย่างน้อยก็พอให้เรารู้ว่าเราจะเกิดอีกเี็ดชาติหรือหกชาติหรือห้าชาติ หรือเกิดอีกเพียงหนึ่งชาติเท่านั้นแล้วเราก็จะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้าเรารู้ว่าเราจะเกิดอีกน้อยชาติอย่างนี้ก็ <c oughs> จะทําให้เราเนี่ยรู้และเห็นว่าวิถีทางแห่งความสิ้นทุกนั้นมันมีอยู่รออยู่ข้างหน้าและเราก็สามารถที่จะทนต่อความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้จนกว่าจะถึงซึ่งความดับทุ้งเพราะฉะนั้นการที่เรานึกถึงสงสารอันไม่สิ้นสุดอย่างนี้ บางทีอาจจะช่วยบรรเทาความโกรธหรือความพยาบาทอาฆาตจองเวนต่อกันให้สงบระงับลงไปได้เนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนให้เราใช้ทีนี้ถ้าหากว่าพิจารณาแล้วมันก็ยังไม่หายจะทำยังไงต่อไปท้งทั้งที่นึกถึงสงสารอันไม่มีที่สิ้นสุดอย่างเนี้ย แต่ความโกรธที่เกิดขึ้นภายในจิตนี้ก็ยังไม่มีทางที่จะบรรเทาลงได้เราจะทำอย่างไรขั้นต่อไปท่านให้เรานึกถึงอานิสงของการเจริญเมตตาธรรมให้นึกถึงประโยชน์ว่าการที่เราจะเจริญเมตตาไปนนในบุคคลใดๆก็ดีประโยชน์ที่เราจะทิ้งได้นั้นมีอยู่แก่ตัวเราไม่ใช่มีอยู่แก่คนอื่นเช่นอย่างสมมติว่าเราจะปลูกเมตตาธรรมหรือปลูกความปรารถนาดีเตียนบุคคลอื่นเนี่ย ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะทําให side, vale mm. ้บุคคลอื่นนั้น like> ดีก uh ว่าเราแท้ที่จริงแล้วการปลูกเมตตาในคนอื่นนั้นก็คือการปลูกฝังความดีให้แก่ตัวเรานั่นเองไม่ใช่ปลูกฝังความดีให้แก่คนอื่นแต่เป็นการปลูกฝังความดีให้แก่ตัวเราเพราะว่าความดีเนี่ยใครทําใครได้แม้เราจะมีเมตตาต่อศัตรูของเราก็ไม่ใช่ว่าศัตรูของเราจะดีขึ้นมาแต่เป็นการสร้างความสุขให้แก่ตัวเราเองสังหารแล้วก็ตรงกันข้าม การที่เราไปผูกโกรธใครเขานั้นไม่ใช่เราไปไปที่สะได้คนนั้นก็หาไม่แท้ที่จริงแล้วความโกรธนั้นได้ประทุสะได้ตัวเราเองอย่างสมมุติว่าเราไปผูกพยาบาดใครสักคนหนึ่งก็ไม่ใช่หมายความว่าคนที่เราไปผูกพยาบาดนั้นเขาจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากการผูกพยาบาดของเราเปล่าเลยบางคนเขาอยู่อย่างเป็นสุขเขากินเขายืนเขาเดินเขานั่งเขานอนสนุกสนานเขาไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไร แต่เราทุกข์ อ, อีกผู้ที่ไปถูกพยาบาทเขานั้นกลับกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์อยู่ทุกๆุกเรียบบทอย่างเนี้ยใครเป็นผู้รับโทษและใครเป็นผู้รับอาริสง์เราเองเป็นผู้รับโทษคนไปกรอยคนอื่นต่างหากเป็นผู้รับโทษคนที่ไปถูกพยาบาทคนอื่นต่างหากเป็นผู้รับโทษเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนให้เรานี้นึกถึงอาริสง์ของการเจริญเมตตาธรรม การเดิน เ, เมตตาธรรมนั้นมีอานิสงค์หรือมีประโยชน์อย่างไรบ้างและประโยชน์นั้นไม่ใช่เกิดขึ้นกับศัตรูที่เราจะไปโกรธแต่ว่าเกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือแก่บุคคลผู้ที่มีเมตตาธรรมท่านในตราดถึงอนิสงค์ของเมตตาไว้มีทั้งหมดคิดเอประการด้วยกันประการที่หนึ่งผู้ที่มีเมตตาธรรมนั้นย่อมนอนหลับเป็นสุขคำว่าหลับเป็นสุขนี้ ไม่ใช่หมายความว่าเมื่อหลับแล้วก็เป็นสุขเสมอไปได้เคยกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วว่าเรื่องการหลับเป็นสุขเนี่ยไม่ใช่หมายถึงคนหลับแล้วก็ถือว่าเขาเป็นสุขแล้วแท้ที่จริงและความหลับนี้บางคนก็หลับอย่างเป็นทุกข์บางคนก็หลับอย่างเป็นสุขบางคนนอนหลับแล้วแต่ว่าความทุกข์ก็ยังติดตามไปดังควาอยู่เช่นพอหลับลงไปแล้วก็ ยังไม่ใช่ว่าจะอยู่อย่างสงบเงียบบางทีก็ต้องนอนบิ้นกระวนกระวายหล่าวเนีย่ยบางทีก็กล่นหรือบางทีก็กระสับกระส่ายไปตามสภาพของคนนอนหลับบางทีหน้าตายุ่ยๆเราจะเห็นได้ว่าบางคนนอนและหน้าตาเนี่ยไม่ผ่องใสแต่บางคนนอนหลับและหน้าตาผ่องใสสงบจะสังเกตที่หน้าของคนนอนหลับ บางคนเวลาตื่นขึ้นหน้าตาดีแต่เวลานอนดูไม่ได้เลยแต่บางคนตื่นเวลาตื่นหน้าตาไม่ดีเวลานอนหน้าตาดีก็มีเนี่ยสังเกตดูสีหน้าของคนว่าะคนที่หลับอย่างเป็นสุขเนี่ยจะต้องเป็นคนที่จเจริญเมตตาทำก่อนหลับหรือทําสมาธิก่อนหลับแล้วก็หลับอย่างเป็นสุขสังเกตดูผิวหน้าก็รู้ความกังวลใจของคนเนี่ยมันจะไปฟ้องตอนนอนหลับ ท่านทั้งหลายจะสังเกตได้แล้วเราจะไปจับได้ตอนเขานอนหลับจะแสดงสีหน้าความกังวลเนี่ยปรากฏให้เห็นตอนหลับท่าทั้งที่เจ้าตัวไม่รู้หรอกแต่ว่าจิตตะรูปเนี่ยมันปรากฏออกมาซึ่งความจริงอันเนี้ยปกติกันไม่ได้เวลาที่เรายังเื่นอยู่เราอาจจะปกติดได้หรืออาจจะซ่อนความรู้สึกต่างๆเนี่ยไว้ภายในได้แต่เวลาหลับสนิทแล้วซ่อนไม่ได้ มันจะฟ้องออกมาตามผิวหน้าตามอากับกิริยาของผู้นอนว่าผู้นอนเนี่ยเ้ามีความกังวลใจหรือเปล่ามีความทุกข์รรมานอะไรจึงได้นอนอย่างนี้สีหน้าเป็นอย่างนี้เราจะต้องเกตได้เนี่ยพอนอนหลับแล้วมันฟ้องให้ท่านทั้งหลายสังเกต ด, ดูก็ได้เพราะฉะนั้นดรื่อการเจริเนเมตตาเนี่ยที่ว่าหลับเป็นสุขเนี่ยหมายถึงผู้ที่นอนหลับเนี่ยสงบไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลอะไร แม้แต่นอนหลับประการที่สองตื่นขึ้นเป็นสุขท่านทั้งหลายจะสังเกตได้เวลาตื่นเรารู้สึกตัวคือจิตขึ้นสู่วิถีหมายถึงรับอารมณ์ละจะเป็นทางหูทางตาก็ตามเพราจิตขึ้นสู่วิถีทางทวารทั้งหก น, นี้บางคนพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็มีความทุกข์พับผมตั้งแต่อยู่บนเตียงนอนแล้ว บางคนพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเป็นสุขร่าเริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพอตื่นเ้าขึ้นมาบางคนใจผ่องใสบางคนใจเศร้าหมองถ้าหากว่าเราจะริยนเมตตาธรรมก่อนนอนเวลานอนเราก็เป็นสุขตื่นขึ้นมาเราก็เป็นสุขแต่ถ้าไม่จเจริญเมตตาธรรมแล้วถ้าเราไปปลูกพิยาบาทครเข้าตื่นขึ้นมาก็เป็นทุกข์จิตใจหม่นหมอง หน้าตาไม่แกมใสละ่ะจะเต็มด้วยความหม่นหมองใปช้าตรู่เนี่ยเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตาธรรมนี้จึงได้รับอานิสงส์ทั้งหลับและตื่นหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขประการที่สามไม่ฝันได้คือระหว่างที่นอนหลับนั้นไม่เกิดความฝันที่ร้ายที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความกระวนกระวายเวลาหลับไม่ฝันได้ถ้าฝันก็ฝันแต่เรื่องดีๆ ฝันมีความสุขมีความสงบเนี่ยประการที่สี่สมบกเป็นที่รักของมนุษย์คนมีเมตตาธรรมเนี่ยมนุษย์ด้วยกันก็รักใครเห็นใครก็รักแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราหาเมตตากันไม่ถูกเราไปเข้าใจว่าเมตตาอยู่ที่แป้นอยู่ที่เครื่องสำอางอยู่ที่ เครื่องรางของขลังอะไรต่างๆซึ่งเป็นเรื่องนอกกายเท้งนั้นแท้ที่จริงแล้วเมตตาเนี่ยอยู่ในใจอยู่ในตัวเราถ้าเราปลูกฝังให้เกิดแล้วก็จะเป็นเมตตามหานิยมใครเห็นใครก็รักคนที่มีเมตตาธรรสูงๆใครเห็นใครก็นิยมชม ช, มชอบโดยเราแผ่เมตตาทําอยู่เสมอเมตตามีนก็เกิดมนุษย์ด้วยกันก็รักประการที่ห้าเป็นที่รักของอมนุษย์ อะมนุษย์เนี่ยหมายถึงสัตว์นั้นไม่ใช่มนุษย์รวมทั้งเทวดารวมทั้งเปรตอสุรกายด้วยเปรตอสุรกายพวกนี้พวกอะมนุษย์หรือเดรัจฉานก็เรียกว่าอะมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดความรักผู้ที่มีเมตตาทำอยู่เสมอเนี่ยไม่ประทุสรายนอกจากไม่ประธุสร้ายแล้วบางทีก็ยังช่วยคุ้มภัยให้ มี่เป็นอนิสง์ประการที่ห้าอนิสงฆ์ประการที่หกถ้าบอกเทวดารักษาคนที่แผ่เมตตาทมอยู่เสมอจะไปไหนมีเทวดารักษาคุ้มครองให้อันตรายใดๆเกิดขึ้นก็เทวดาก็ช่วยขจัดปัดเปล่าให้คอยรักษามีให้ประสบต่ออันตรายเหล่านั้นประการที่เจ็ด สตราวุธและยาพิษต่างๆไม่สามารถที่จะกล่อมกลายได้ใครจะใช้สัตราวุธมาประหัตประหารเรา <c oughs> ก็ไม่มีทางที่จะประหารได้ใครจะวางยาพิษก็ไม่สามารถทําได้สําเร็จถ้ามีเมตตาทำอยู่สมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนทีปอยู่นั้นได้ประสบกับอันตรายเนี่ยหลายครั้งด้วยกันอันตรายที่ร้ายแรงมาก ถึงกับจะต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงก็คือในสมัยที่พระเทวทัตคิดการใหญ่พระเทวทัตมีความเพยรพยานอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็อยากจะปรงพระชนพระพุทธองค์เพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งได้ส่งนายขมังธนูของพระเจ้าชาติสดูเนี่ยไปลอบปรองพระชนพระพุทธองค์ แต่พระพุทธองค์ได้แผ่เมตตาธรรมไปยังนายขมังธนูเหล่านี้ยกธนูไม่ขึ้นผลสุดท้ายเปลี่ยนใจแทนที่จะไปตรงพระชนพระพุตธิเจ้ากลับเข้าไปขอบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่ก็ด้วยเมตตาธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงแผ่ไปในบุคคลเหล่านี้ครั้งหนึ่งปล่อยช้างนาราธีรีซึ่งเป็นช้างเมามัน แล้วก็อมอมด้วยเล่าเพื่อให้ยิ่งชนพระพุทธเจ้าตอนสเสด็จออกบินสบายพระพุทธองค์ได้แผ่เมตตาไปยังทางนาราชิลีทางมาหมอบต่อหน้าพระพักไม่ได้สนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอ น, นิสงส์ที่เกิดขึ้นจากเมตตาธรรมและอํานาจของเมตตาธรรมนี้เองที่สามารถระงับยับยัง้งแม้แต่ศัตรูที่จะมาฆ่าแม้แต่ศัตรีฐานที่จะมาฆ่าก็สามารถระงับได้ ด้วยอํานาจจิตที่มีเมตตาธรรมและก็แผ่ไปสัมผัสกับจิตของสัตว์เหล่านี้ก็ทําให้จิตของสัตว์เหล่านี้อ่อนลงและก็เปลี่ยนใจได้เนี่ยเกิดมาจากเคราะห์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแผ่เมตตาธรรมไปให้เพราะฉะนั้นอ น, นุสงส์ของการจเจริญเมตตาธรรมข้อที่เจ็ดเนี่ยท่านจึงกล่าวว่าสตราวุธก็ดียาพิษก็ดีไม่สามารถจะกล้ากลายได้ใครจะวางยาพิษก็ไม่สามารถจะทําได้ถึงเด็ก ประการที่แปดจิตตั้งมั่นได้เร็วคือผู้ที่มีเมตตาธรรมเนี่ยสมาธิจิตตั้งมั่นเร็วทําได้เร็วมากมีความสงบภายในได้มากกว่าบุคคลที่ไม่ได้เจริญเมตตาสมุิหารธรรมประการที่เก้าสีหน้าเปล่งปลัง่งคนที่มีเมตตาธรรมนี้ใบหน้าเปล่งปลัง่งอยู่ตลอดเวลาคือเห็นแล้วก็ เป็นคนที่มีสง่าราศีหน้าเลื่อมใสหน้าคบค้าสมาคมเนี่ยเพะว่าสีหน้าเปล่งปลัง่งประการที่สิบเวลาตายไม่หลงทำกาลกิยาก็คือไม่ขาดสติตายก็ตายอย่างคนที่มีสติตายอย่างสงบในคนที่เจริญเมตตานั้นตายอย่างสงบอย่างคนมีสติ ประการที่สิบเอ็ดแม้จะไม่ได้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงยังต่ำก็ได้ไปสู่พรหมโลกเพราะว่าเมื่อเจริญเมตตาพมิหารธรรมแล้วจิตสงบถึงอัปปนาสมาธิเมื่อตายจากมนุษย์ก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกเนี่ยการเจริญเมตตานั้นมีอันดีสงมากมายถึงสิบเอ็ดประการอย่างนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้เราเนี่ยนึกถึงอนิสง์ของเมตตาธรรมทั้งสิบเอ็ดประการนี้เพื่อบัรเทาความโกรธซึ่งมีอยู่ภายในใจเราเนี่ยให้หายไปแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นเมตตาธรรมก็ให้นึกถึงอานิสงค์ของการเจริญเมตตาไว้ผู้ที่มีเมตตาธรรมนั้นย่อมได้รับอนิสงค์อย่างนี้ถึงสิบเอ็ดข้อ ทีนี้ถ้านึกถึงเมตตาแล้วมันไม่หายล่ะจะทำยังไงขนาดารณนาถึงเมตตามากมาอย่างนี้แล้วมันก็ยังไม่หายจะแก้ไขเป็นยังไงต่อไปอีกขั้นนี้ท่านบอกว่าเราจะต้องแยกธาตุแล้วแยกธาตุเนี่ยหมายถึงแยกธาตุในตัวคนเพราะว่าคนเราที่มีรูปร่างอย่างนี้เป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ ก็เพราะว่ามีธาตุต่างๆมาประกอบกันถ้าในทางปรมัจา์ก็เรียกว่ามีมหาภูตรูปมีอุปาทาญรูปมาประกอบกันก็เป็นตัวขึ้นแล้วก็สมมุติว่าเป็นตัวบุคคลแต่ถ้าเราศึกษามัลงไปจริงๆแล้วก็หาตัวบคคลไม่พบแม้แต่ตัวสังขารของเราเองเนี่ยถ้าเราดูกันจริงๆแล้วก็แสนที่จะทุเรศถ้าหากว่าเราไปโกรธใครหรือว่าขู่พยาบาดใคร เรานึกถึงอานิสงส์เมตตาสิทธิประการยังไม่หายก็ต้องให้นึกถึงบุคคลเหล่านั้นว่าสักแต่ว่าเป็นภาพุเท่านั้นเองให้แยกออกปเป็นภาพุดินธาตน้าตําธาตุไฟธาตลมหรือให้เป็นผมขนเล็วฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็น ม, าม้าเป็นหัวใจเป็นตับเป็นฟังผื่นอะไรก็แยกออกไปเป็นดีสเลศน้องเลือดแล้วเราก็ตั้งปัญหาว่าเราโกรธอะไรคนคนนี้ โกรธผมหรือว่าโกรธขนหรือโกรธเล็บโกรธฟันโกรธเนื้อโกรธหนังหรือโกรธที่เอ็นที่กระดูกที่ม้ามที่ตับเนี่ยเราก็นึกลงไปว่าเราโกรธตรงไหนของคนคนนี้มันน่าโกรธไหมเราไม่ต้องไปพูดถึงน่ารักหรอกเอาแต่เพียงว่าน่าโกรธหรือไม่น่าโกรธถ้าหากว่าเราอยากจะเห็นได้ชัดเจนเนี่ยอตมาอยากให้ท่านทั้งหลายไปชมที่ตึกกายวิภาคศาส โรงพยาบาลศิริราชโดยเฉพาะอยากจะให้ไปดูที่พิพิธภัณฑ์เก็บตกท่านทั้งหลายจะเห็นสภาพความจริงแล้วก็จะเห็นว่าแม้คนเนี่ยจะว่าแต่น่ารักเลยหน้าโกรธก็ไม่น่าโกรธไปเห็นความจริงะแล้วแม้แต่จะโกรธก็ไม่อยากจะโกรธมันไม่มีอะไรจริงๆท่านทั้งหลายไปเห็นแล้วจะเห็นว่าความเป็นปฏิกูลความเปื่อยเน่าในสังขารทั้งหลายเนี่ย มันมีอยู่โดยทั่วกันทุกคนและความไม่มีแก่นส า, สารสาระที่พุทธองค์ตรัสไว้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนอย่าเพิ่งทำวิปัสนาญาณเพราะวิปัสนาญาณชนิดนี้มันเกิดชาเกิดยากยอมเสียงเงินตัห้าสิบสตางค้ามฟังไม่สริราดดีกว่าไม่ต้องหลับตาหลับลืมตาดูก่อนเราก็จะเห็นความจริงโอ้โหยทำทั้งหลายที่ศึกษาอริยสัจแล้วจะเห็นทุกข์ได้ชัดขึ้น มีให้ดูทุกชนิดอาตมาไปดูเมื่อสองวันมันมีเองสามวันทั้งวันนี้แล้วแล้วก็หลังจากดูมาแล้วก็ฉันอาหารไม่อร่อยเลยสักมือหนึ่งเจนทั้งวันนี้เลยฉันไม่อร่อยนึกถึงสภาพของสังขารแล้วมันไม่น่าอร่อยจริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยให้ท่านทั้งหลายข้ามไปดูอาตมาไปเยี่ยมศพมาแล้วก็ไปเห็นสภาพ หมอก็พาชมทั่วหมดตั้งตพดองอยู่ในในในอ่างเป็นอ่างขึ้นเน้นเนี่ยยังกระรงงานน้ําปลาเนี่ยหมักดองเอาไว้ตั้งดองไว้ตีหนึ่งที่โยบุธิร่างกายไว้ให้เนี่ยเขาไปดองไว้ตีไม่ถึงเดยวขึ้นมาศึกษาได้แล้วต้องมีตพที่รอกหนังออกตพที่พาให้เห็นภายในแล้วก็ตพที่มีแต่เฉพาะโครงกระดูกที่มีเฉพาะ เส้นประสาทที่ห้อยย้อยไปตามตัวเห็นระบบหัวใจเห็นอะไรภายในเห็นหมดและก็ตั้งแต่ปฏิสนธิตั้งแต่ตัวเท่านอนโตเป็นหนอนหน่อยนีงจวกท่านถึงมีรูปร่างขึ้นมาอยู่ในคันของมารดาขอให้ท่านทั้งหลายไปดูและเราก็นึกน้อ ม, มาสู่ตัวเราว่าเนี่ยสภาพของสังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเผื่อว่าจะได้ช่วยบรรเทา ความมัวเมาในรูปสมบัติในวัยในราบยศสรรเสริมต่างๆได้มากไปดูแล้วยังน้อยความโลภความโกรธ ค, ความหลงจะบรรเทาลงถึงไม่หมดก็เบาลงและถ้าหากว่านึกน้อมอยู่บ่อยๆอาจจะหมดก็ได้ถ้าเห็นสภาพความจริงอย่างนี้หลายท่านที่อุทิศสร้างศบให้กับโรงพยาบาลเนี่ยมีประโยชน์เหลือเกินที่อยู่ในพิษพันธ์เนี่ย เป็นครูสอนชีวิตแก่มนุษย์ได้อย่างดีแต่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่ค่อยยอมรับความจริง <c oughs> คอยจะหลีกหนีความจริงอยู่เสมอถ้าเราไปดูแลเราจะเห็นความจริงว่ามนุษย์เนี่ยคืออะไรเราจะเห็นความจริงของสังขารการที่เราจะแยกธาตุคนเป็นๆออกมาเนี่ยบางทีแยกไม่ออกงั้นถ้าแยกไม่ออกเราต้องมีมีตัวอย่างให้ดู ตัวอย่างให้ดูก็คือซากศพของคนที่ตายแล้วแล้วเราก็จะเห็นความจริงว่าเนี่ยชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่มีแกนสารอะไรเลยอัตรภาพร่างกายที่เรามาอาศัยกันอยู่เนี่ยมันก็มีสภาพอย่างนี้ตัวเราที่อาศัยอยู่ไม่น่าอาศัยจริงๆท่านทั้งหลายอยู่บ้านเล็กๆแม้ว่าจะมีกระต๊อบสักหลังหนึ่งไอ้บ้านคือกระต๊อบนะ่นมันยังน่าอยู่กว่าตัวเราตั้งเยอะแยะตัวเราเนี่ยปฏิกูลกว่ากระต๊อบที่เราปลูก แต่กูลกว่าเครื่องอาศัยอื่นๆมากมายนะเราก็ยังเศ้าทะนุถนอมมันอยู่ได้ดูแล้วไม่น่าอยู่เนี่ยเราจะต้องแยกชาตออกมาพอแยกชาตออกมาแล้วเราเห็นความจริงอย่างเนี้ยเราจะไม่อยากโกรธใครอย่าว่าแต่ไปรักใครเลยแม้แต่โกรธก็ไม่อยากจะโกรธเพราะมันไม่มีอะไรที่จะไปน่าโกรธไม่รู้จะโกรธอะไรที่ตรงไหนมันไม่น่าดูทั้งนั้น หรือแม้แต่ใครมาโกรธเราเราก็สงสารไม่รู้มาโกรธเราทําไมเพราะไม่มีอะไรตรงไหนที่มันจะน่าโกรธร่างกายมันไม่มีสาระแล้วก็เป็นแต่เรื่องเกี่ยวกับความปฏิกูลทั้งนั้นถ้าเราแยกภาพอย่างนี้ออกไปได้นก็จะช่วยให้ความโกรธหรือความพยาบามต่างๆเนี่ยบรรเทาเบ า, บาบางลงได้มากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมีเวลาเนี่ยควรไป อ, อนุ ญ, ญาตเขให้ชมในแท่์เาให้ชมบอกวันธรรมดาก็ เ, เปิดทุกวันนอีกสักอาทิตย์หนึ่งจตมาจะพาเนนมาชมเนนที่เรียนรูปประมัดแล้วนี่จะให้มาดูได้ศึกษารูปที่เห็นด้วยตาแล้วก็เทียบกับรูปประมัดที่มีอยู่ในพระพิธรรมแล้วตอจะให้มาปรองกรมาฐานให้มาดูว่าเนี่ยสภาพของสังขารมันเป็นอย่างนี้ ไม่มีอะไรที่น่าดูเลยสักอย่างทีนี้ถ้าหากว่าเราแยกขาดแล้วมันไม่หายล่ะแยกแล้วก็ยังไม่หายนี่หมายถึงคนที่ที่มีความโกรธรุนแรงมากผูกพิยาบาทอย่างเหนวแน่นเนี่ยทำยังไงยังไงก็ไม่หายเนี่ยจะทำยังไงวิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายแล้วถ้าไม่หายก็มีหวังตกนรกแน่ๆวิธีนี้เป็นวิธีสุดท้าย ถ้าหากว่าเราแก้มาตั้งหลายวิธีแล้วยังไม่หายวิธีสุดท้ายนี่ท่านใช้ให้เราเผื่อแผ่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าให้เผื่อแผ่เผื่อแผ่เนี่ยหมายถึงว่าคนไหนที่เราไม่ค่ชอบเนี่ยมันเอาของไปให้เขาบ่อยๆมีเงินเอาเงินไมให้เขาใช้มีของเอาของไม่ให้กินคือไม่ใช่ประชดนะแต่ว่าเราจะต้องเอี้ยวเพื่อเผื่อแผ่เขา้า ต้องนึกถึงข้าวตลอดเวลาไปรับทานอาหารอะไรที่อร่อยๆก็ต้องนึกถึงคนคนนี้ว่าซื้อไปฝากเขาหน่อยคนไหนที่เราไม่ชอบควรจะเอือเ้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ให้มากการเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่บ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้ความโกรธที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยลดน้อยลงนี่เป็นวิธีสุดท้ายแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีทานที่นิดหนึ่งที่เราควรบําเพ็ญแล้วก็เป็นทานที่มีอานิสส์มาก ทานดังกล่าวนั้นก็คืออภัยทานอภัยทานเนี่ยคือทานที่เราให้อภัยแก่บุคคลอื่นการที่เราให้อภัยแก่บุคคลอื่นนั้นถือว่าเป็นทานอันหนึง่งเป็นทานที่เราควรบำเพ็ญเคยฟังเพลงที่ร้องว่าอะไรที่แล้วไปคิดว่าเป็นทานหรืออะไรไ่ม <c oughs> ไม่รู้อะไรเป็นทาน แต่ในเนี่ยหมายถึงความโกรธที่เราให้อภัยในบุคคลอื่นเป็นทานไม่ใช่หมายถึงอย่างอื่นเป็นทานนะหมายถึงความโกรธที่คนอื่นทำให้เราโกรธเนี่ยและเราไม่โกรธเราถือว่าการให้อภัยในบุคคลอื่นเนี่ยเป็นทานอันหนึ่งและทานอันนี้เรียกว่าอาภัยทานมีอานิสงส์มากเป็นมหาทานเนี่ยเป็นวิธีที่ถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ กระสอนไว้ <c oughs> เพราะว่าการที่เราไปปูกโกรธใครก็ตามส่วนมากแล้วเราไม่อยากฟังไม่อยากเห็นไม่อยากให้ก็เปลี่ยนที่ใหม่ว่าเราควรจะให้พ่อแม่บางคนนะ่ะเกลียดลกูกเวลาตายไม่ยอมทําที่นายกรรมให้ลูกเลยลูกคนไหนที่เกลียดไม่ยอมให้ทับสมบัติ คนคนนั้น น, น่าสงสารแล้วสแสดงว่าเนี่ยยังขู่โกรธเอาไปถึงพกหน้ายังหอมเอาความโกรธไปถึงภาตหน้าอีกควรจะให้ลูกคนไหนที่โกรธมากแล้วก็ควรจะเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาบ้างอย่างน้อยการเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อศัตรูนั้นหรือต่อคนที่เราไม่ชอบนั้นยังเป็นเครื่องบรรเทาความพยายามานในใจเราเนี่ยให้ลดน้อยถอยลงซึ่งเป็นวิธีอนหนึ่งที่เราควรจะฝึกฝนกัน เพราะว่าการที่เรานํำสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรารักที่เราพอใจไปให้แกศัตรูเราได้นับว่าเราเนี่ยบรรเทาความโกรธลงได้บางแยะแล้วและวิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายเท่านั้นแต่เป็นวิธีที่จะต้องเสียทรัพย์สินเงินทองเสียของถ้าโกรธใครเราก็จะต้องเสียเงินละถ้าปฏิบัติตามแนวนี้แต่ก็ได้ผลสําหรับผู้ที่ต้องการความสุข เพราะการถูกโกรธคนอื่นนี่เป็นการสร้างทุกข์ให้แต่ตัวเองผู้ที่โกรธคนอื่นจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นทุกข์จะบอกตลอดชีวิตที่เราจะหาความสงบเดยเือกเย็นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีนี้ว่าเมื่อมันมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจและความทุกข์นี้ก็เกิดมาจากความโกรธที่เราปูกพยาบาทคนอื่นเขาเราก็ต้องแก้ไขว่าเรานี่จะต้องไม่โกรธใครจะต้องไม่ปูกพยาบาทใคร โดยใช้วิธีดังที่เดบัรญยญายมาถ้าไม่หายถึงขั้นสุดท้ายจริงๆอดลนคนไม่ได้เราจะต้องมีอะไรจะต้องออกไปให้ให้หมดให้คนที่เราโกรธนี่ให้หมดแล้วเราก็จะหายโกรธเนี่ยเป็นวิธีที่ที่จะต้องทำให้เราเสียทรัพย์สินเงินทองละแต่ถึงกระนั้นก็คิดว่าเราควรจะเอาถ้ามันไม่หายจริงๆนะท่านทั้งหลายควรจะยอมสิเรายอมเสียเงินเสียทองเสียดีกว่าที่จะไปตกนรก เพราะถ้าหากว่าเราบรรเทาความโกรธหรือความพยาบามคนอื่นไม่ได้เนี่ยตายแล้วลงนรกแน่ๆเลยเพราะว่าถ้าความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนจิตใกล้จะดับด้วยแล้วยิ่งหน้าเป็นห่วงเพราะจิตขณะนั้นเศร้าหมองจิตเตสังกฤตเขรทุกขติปาปิกังขาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถ้าคนไหนตายด้วยจิตที่เศร้าหมองแล้วย่อมมีทุกขติเป็นที่หวังได้ แต่ถ้าตายด้วยจิตที่ไม่เศร้าหมองแล้วย่อมไปสู่สุคติเวลาตายเป็นเวลาสําคัญที่สุดเวลาใกล้าตายเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่จะตายเมื่อไรบางคนอาจจะโกรธใครมากแล้วก็ตายเพราะเวลาโกรธก็ได้และถ้าหากว่าโกรธเขาแล้วก็ตายในขณะที่โกรธนะ่ะก็มีหวังลงสู่นรกเพราะว่าสับที่จะเกิดในนรกเหตุไปด้วยโศกเจตนาด้วยความโกรธที่รุนแรงก็จะไปเกิดในนรก แต่ถ้าเราตายด้วยความโลภจะไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นด้วยความหิวโหวยความอดอยากแต่ถ้าตายด้วยความหลงก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นอุศุดล ม, มูลที่เราจะต้องขจัดถ้าเราสามารถขจัดให้หมดไปได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงในชาติหน้าว่าเราจะไปสู่ทุกขติ เนี่ยเพราะนั้นวิธีที่จะบรรเทาความโกรธต่างๆที่ก็สัมมาสัมพุทธเจ้าวางไว้อย่างเนี้ยเป็นวิธีที่เราจะต้องฝึกฝนกันเชื่อแน่ว่าลหลายๆท่านที่ยังไม่ได้อบรมนี้ปรัปรับจะให้หายโกรธเนี่ยไม่ได้หรอกเราจะให้อีกคนหนึ่งหายโกรธให้อภัยต่ออีกคนหนึ่งเนี่ยจะต้องมีเหตุผลและเหตุผลดังกล่าวนั้นก็คือจะต้องปฏิบัติตามนี้ สัปฏิบัติเหตุตามนี้ได้แล้วเราก็มีทางที่จะบรรเทาความโกรธความพยายามเนี่ยให้ลดน้อยลงี่เหตุอันนี้ต้องขจัดให้หมดไปวิธีเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นเนี่ยเป็นวิธีสุดท้ายถ้าเราทําได้สดําเร็จแล้วด้วยวิธีนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่สมําเร็จเนี่ยไม่มีวิธีแก่อีกแล้วเราหมดวิธีแล้วมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละคือเราจะต้องลงอาบายแน่ ดังนั้นก็ที่ทุกโตองค์ได้กลับมาตั้งหลายวิธีเดี๋ยวตั้งถึงวิธีที่เอื้อเชื้อเผื่อแผ่เนี่ยหมดหมดทุนทางที่จะแก้ไขถ้าแก้ไขได้สําเร็จหมายถึงเราไม่มีทยาบาตแล้วก็ขอให้ตั้งจิตแผ่เมตตาเป็นสันตประศักด์ได้เลยแล้วก็วิธีแผ่เมตตาเนี่ยก็มีอยู่สองวิธีคือแผ่ไปโดยเจาะจงกับไม่เจาะจง แผ่ไปโดยเจาะจงเนี่ยเราอาจจะแผ่ไปเจาะจงสัตว์เจาะจงบุคคลว่าเราจะแผ่เมตตาไปให้ใคร เ, เรียกว่าแผ่เจาะจงส่วนแผ่ไม่เจาะจงในหมายถึงสัตว์ทุกจำพวกที่เกิดอยู่ในภูมิทั้งสามสิบเอ็ดภูมินี้เราแผ่เมตตาให้ทั้งหมดอย่างนี้เรียกว่าแผ่ไปโดยไม่เจาะจงวิธีแผ่โดยเจาะจงกับไม่เจาะจงนั้นต่างกั น, นทั้งหลายที่ปรารถนาจะ จเจริญเมตตาธรรมแล้วก็จะต้องศึกษาทั้งสองวิธีนี้แล้วก็ในสองวิธีเนีเ้เราจะต้องใช้เวลาศึกษากันอีกสักอาทิตย์หนึง่ mm. งเพราะในวันนี้ถ้าจะอธิบายในสองวิธีนี้ mm. ก็คงจะไม่จบแต่ว่าจะพูดถึงวิธีแผ่เจาะจงให้เป็นแนวทางสำหรับท่านทั้งหลายปฏิบัติกันในวันนี้อย่างเช่นเราแผ่เมตตาไปให้ใครก็ตาม เราจะต้องนึกถึงตัวเราเองก่อนเป็นเบื้องต้นวิธีนึกถึงตัวเราเองก่อนในเบื้องต้นนั้นก็คือให้บริกรรมในใจจะใช้ภาษาบาลีก็ได้ภาษาไทยก็ได้ถ้าใช้ภาษาบาลีก็ใช้คำว่าอาหางสุ ข, ขิโตโหมีอาหารเนี่ยแปลว่าตัวเราขอให้ตัวเราเนี่ยจะมีความสุขเถิดให้ความสุขแก่ตัวเรา